ทรงประชุมสงบัญญัติศิกขาบุตรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมทรง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสูจน์ชาบัคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอใส่ความภิสูจด้วยอบวบสังฆาทิเศตไม่มีมูลจริงหรือพวกพิสูจน์ชาบัคีทูล ร, รับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆาบุรุษทั้งหลาย